ต่อไปดูวิถีต่อแม้พอพูดถึงในเรื่องของวิถีจิตเนี่ยทำให้ไปคิดถึงในเรื่องของไอตัวเนี้ยเรื่องของวิธีคิดใช่ไหมการเรียนวิถีจิตก็คือการรู้จักว่าจิตอะไรมีอารมณ์อะไรเกิดในภูมิไหนบุคคลอะไรแล้วจิตประเภทไหนเป็นปฏิสนธิเป็นผวังเป็นจุดติจิตประเภทไหนทํากิจ ต, ต่างๆ่างเราเนี้ย และอย่างหนึ่งก็ทําให้เรารู้จักวิถีเออประการต่อมาเนะี่ยมันนึกถึงตรงไหนรู้ไหมนึกถึงตรงวิธีคิดในปัจจุบันเท่าที่สังเกตดูว่าเอ๊ะถ้าคิดยังไงใช่ไหมความคิดเออลักษณะที่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้เรื่องอะไรลำดับแรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องอะไรเขาบอกสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องกรรมและผลของกรรม ทีนี้ถ้าหากตรึกในเรื่องของกรรมบ่อยๆนี่เป็นสัมมาสังคปรนะการตรึกในเรื่องกรรมคือที่จริงถ้าไปเข้าใจกรรมอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะถ้าการศึกษาในเรื่องจิตเข้าใจเนี่ยเช่นไปศึกษาไปรู้กรรมใช่ไหมเช่นพอรู้ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเห็นรูปอารมณ์ถ้าบอกเห็นรูปอารมณ์เนี่ยแท้จริงในรูปอารมณ์นั้นประกอบ ด, ด้วยรูปแปดรูปใช่ไหม พ่วินิพนธ์ครูป8ทีนี้ในอวินิพนธ์ครูปแปดนั้นนะ่ะปัญหาคือว่าถ้าอาวิณิพนโ์ครูปแปดเป็นสีแล้วดูที่สีสีของอวิณิพนโ์ครูปแปดเข้าสู่ทางทวารตาทั้งจกักรคูทวารเป็นต้นเนี่ยทีนี้ถามว่าเมื่อเราเห็นรูปารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์อณิทธารมณ์หรือว่าอิทธามชัตตารลมเนี่ยเป็นข้อบ่งบอกอะไรถ้ารูปารมณ์ หรือสัตวในที่นี้เน้นรูปารมณ์เนี่ยรูปารมณ์มีสามสภาวะอติถารมอิธามชตารมอนิทารมถ้าบอกว่าอติอิทธารมเรารู้ทันทีเนี่ยสภาวะของอารมณ์เนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่กำหนดรูปพอกำหนดรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้จากรูปแล้วท่านบอกต้องรู้จากนามด้วยเห็นไหมคือต้องรู้จากจิตด้วยก็ไปรู้ว่า จากคุวิญญาณวิบากจากคูวิญญาณกุศลวิบากรับเนอะรับอารมณ์ที่เป็นอติทธารมแล้วก็สัมปติชนะอกุศลวิบากสันตีราณะอากุศลวิบากสมนัสันติเออถ้าอย่างนี้เห็นแล้วนี่คือคือรู้จากรูปแล้วไม่พอยังรู้จากนามด้วยและรู้จากรูปแล้วรู้จากนามแล้วยังไม่พอนะยังรู้ด้วยว่านามและรูปนั้น เกิดจากกุศลอะไรนเนี่ยตรงนี้มันจะคิดอย่างเงี้ยเนี่ยสัมมาสังกปะมันจะเกิดอย่างนี้นะก็คิดออกมาได้ว่าเออคุณภาพของคุณภาพของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยการลิ้มรสการรับอารมณ์การไต่สวนอารมณ์ที่ดียิ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าเออคุณภาพของกุศลเนี่ยนะเออเกิดจากกุศลญาณ น, นะสัมปยุทธหรือกุศลญาณ น, นะวิปยุทธเนี่ย ก, กรรมที่ทำมันแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นผลสาวไปหาอะไรสาวไปหากรรมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดดีสัมมาสังกัปปะก็จะคิดในเรื่องของกรรมและวิจัยในเรื่องของกรรมได้ตามความเป็นจริงของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนวิถีแล้วเข้าใจ <c oughs> เข้าใจนะ ถ้าเรียนวิถีเข้าใจเนี่ยมันจะมองมองเห็นที่นี้ในชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นี่มันก็รู้จักที่จะแยกแยะเป็นใช่มในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะรู้จักที่จะแยกแยงแยกแยะเป็นเนี่ยว่าเสียงเนี่ยแท้จริงสภาวะของเสียงนั้นเป็นอติถารมแท้ๆใช่ไทั้งจกักขูวิญญาณก็เป็นกุศลเออไม่ใช่โสตวิญญาณก็เป็นกุศลวิบากสัมปติชนะก็เป็นกุศลระบาวิบาก สมนัตสันติแล้นะก็เป็นผลของกุศลุบากและกรรมที่เคยทำไว้ก็มาจากมหากุศลเห็นไมเป็นมหากุศลกลุ่มสมนัตด้วยนะและก็สมนัตที่เป็นอสังขาริกด้วยเนี่ยบางอย่างแต่เชื่อไหมว่ามนุศศิการเราผิดพลาดนี้เขาเรียกว่าถ้าศึกษาให้ดีเราจะรู้จักคำว่าประโยคะผิดพลาด เราจะรู้ว่าไอ้ประโยคนคาวิบัติเนี่ยมั น, ม, นมันกินความลึกซึ้งขนาดนยถ้าถ้าดูอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มว่าเออไอ้กรรมที่มันทําใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ได้วิบากอย่างนี้นะแต่เมื่อวิบากเราไม่ไม่ตึกกรรมใหม่เราก็จะไม่เห็นอารมณ์ดีๆอย่างนี้อีกนะถ้าให้มนาสิ ก, กานให้เกิดกุศลแลจิตใหม่เนี่ยให้ชาวนาจิตให้มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะไม่ได้วิบากที่ดีๆนะเห็นไหม วิธีคิดตรงเนี้มันไม่เกิดเพราะไม่คนที่ศึกษาเรื่องกรรมละเอียดเขาศึกษาอย่างนี้นะนถ้าไปศึกษาเรื่องกรรมเขาจะเจาะลงแบบนี้เลยนะก็ปแปลว่าชำนาญในวิถีกันแล้วใช่ก็จะเจาะลงสภาวะละเอียดอ่อนอย่างนี้ในการที่ตรึกพิจารณาในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วดูกรรมดูผลของกรรมสาวไปหากรรมดูที่กรรมก็รู้คานวณถึงผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเนะ ก็อย่างนี้เขาเรียกกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิก็เกิดได้เป็นอย่างดีถ้าถ้าอย่างนี้เขาเริ่มเขาเรียกก็เริ่มเข้าใจก็ตั้งต้นคิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมได้ถูกต้องปัญญาตัวปัญญาแต่สัมมาสังกปะเป็นตัววิตกเป็นตัวไปตรึกเป็นตัวไปคิดเพื่อให้เกิดความคือคือมันต้องคิดใช่ไหมมันต้องไปคิดไปวิจัยดูไอา ตัวกรรมตัวผลของกรรมนี่ผลของกรรมมาจากกรรมเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่แยกแยะได้ถูกแยกแยะได้ถูกตรึกได้ถูกเป็นอย่างดีถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกชัดแล้วเน้นเวลาเราเรียนกันอย่างเนี้ยถ้าเราไม่คิดในเรื่องของเข้าหากรรมไม่ถูกมันก็เรียนกันแบบเอาแต่สูตรนี่แหละเอาแต่สูตรจำจำจำจำําไม่ได้อะไรเลยนอกจากโอ้โห คุยฟุ้งอย่างเดีย ว, ว่าเข้าใจเข้าใจใกล้สอบมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ใกล้สอบตกนรกเนะไอ้ตรงนี้นี่มันเสียหายตรงนี้นี่สเพราะมันไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมถ้าหากว่าเข้าใจกรรมและผลของกรรมดีก็แปลว่าไม่น้อมที่จะทำกรรมชั่วใช่ั้ยถ้าหากว่าคิดเป็นอย่างดีพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะ เน่ยตรงนี้ก็ก็ให้ตรวจสอบพิจารณาดูอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในหน้าที่28แเนี่ยในรู ป, ปรภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยนะเดูในชีตเนี่ยนะในรู ป, ปรภูมิไม่มีแตทารัมนาจิตและก็ไม่มีโทสะเาวนะฉะนั้นจึงมีแต่วิถีจิตที่เป็นเฉวนาวาระมีแต่อาตีตภวังหรือไม่มีอาตีตภวัง และไม่มีอาคารตรุ ก, กับผวังที่เกี่ยวกับกาบาเฉานะยี่สิบเจ็ดเท่านั้นนี่ท่านก็ยกตัวอย่างทีนี้อารมณ์สามชนิดเนี่ยวิถีที่เป็นชฉาณะวารามีาตีแต่ผวังแต่ไม่มีอาคารตรุ ก, กับผวังที่เกี่ยวกับกาบาเฉานะยี่สิบเจ็ดเว้นโทสะสองนี่ท่านยกตัวอย่างนะในวิถีนี้เป็นวิถีที่เกิดในรูปภูมิสิบห้าเว้สัญญาสัตต ภ, ภูมิรู้ไหมว่ารูปภูมิสิบห้าอยู่ตรงไหนฮะ จำตัวรู้จักรูปประภูมิสิบห้าไหมรูปประภูมิสิบห้าในหน้าที่ยี่บสี่เนี่ยวิธีนั่นแหละนั่นแหละวิธีเนี้เข้ามาแยกในหน้าที่ยี่สิบสี่ที่ผวังหน้าและผวังหลังเป็นรูปวิบากห้ามโนวทวารวัชนาจิตหนึ่งเป็นอาวชนะเป็นตัวลำพึงถึงอารมณ์สามชนิดอารมณ์สามรครูปารมณ์จัตตารม์ธรร ม, มารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานนรูปสิบานั่นแหละ เว้นขาน่าชิวหาแล้วก็กายยะภาวะสองแล้วก็ทำอารมณ์ที่เป็นกามจิตมหตาคตจิตโลกุตระจิตเจสิที่ประกอบเว้นโทจะจะจตุกาเจสิสี่อนิพันธ์รูปที่เป็นเตกาลิกะและก็นิพาน์บัญญัติที่เป็นการละวิมุตมาดูหน้าที่ยี่แปดเขาแยกให้เห็นชัดเลยเ <ST AN TI> ขาบอกอารมณ์มัมีสามสภาวะของวิถีเนี่ยนะใน3 3สามสามอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นอติอิทธะ อิทามชตาอารมณ์สองประเภทนี้เป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตที่ในเหตุกุกะเช่นท่าในที่นี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตในเหตุกุกะแต่เป็นปัจจัยให้เกิดตถารมนะใช่ไหมแต่ตทารรมนะเกิดไม่ได้ในรูปภูมิเนี่ย มองเห็นใช่ไหมแต่ฐานรับน้าไม่สามารถจะเกิดในรู ป, ปรภูมิได้เหตุผลดังที่ได้เคยกล่าวบอกว่าเขาไม่ไม่ใช่ฐานน้นเขาที่จะไปเกิดได้แต่รู้ทันทีว่าถ้าอิทารลมเนี่ยแปลว่าอารมณ์นี้จะต้องเป็นสภาวะที่เป็นผลของกุศลอิธามช่ตารมหรืออ น, นิทารลมนี่เป็นสภาวะที่เป็นผลของอกุศล ต้องเรียกว่าคําว่าเป็นผลอย่างนั้นได้นี่มีสภาวะเป็นอย่างนั้นเขาบอกรับอะไรในวิถีนี้เขาบอกรับอารมณ์สมชนิดนั่นนี่รับนิพพานนรูปไหมบอกนิพพานนรูปรับนิพพานนรูปได้เท่าไหร่13รับปัจจุบันไหมบอกปัจจุบันถ้าหากเป็นปัจจุบันก็ใส่อธีต่าผวังอันนี้เพราะมีอธีต่าผวังไงถ้ามีอธีต่าวังก็ใส่อะไร รับปัจจุบันนิพพานนรูปนช่ไหนิพพานรูปสิบสามเว้นอะไรใช่เว้นขานาชิวหากายาออกไปนี่เขาเรียกรับปัจจุบันนิพพานรูปสิบสามเพราะเขามีอธิเตตผะวังเขามีอตีเตตผะวังเนี่ยแค่ตรงเนี้ยวิธีนี้มีปัจจุบันเป็นอารมณ์นี่นะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเกี่ยวกับกาเมชานะยี่บเจ็ดชาวนานั้นเป็นกาเมชานะยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดมีลา อกุศลละจิตสิบเว้นโทสะสองใช่ไหมแล้วก็หาสีตุปาถ้าจิตหนึ่งมหากุศลจิตแปดมหากริยาจิตแปดใช่ไม่ใช่นี่คือกามชาชวนะยี่สิบเจ็ดเว้นโทสะสองออกไปโทสะเกิดเว้นไปเพราะโทสะเกิดไม่ได้ในรู ป, ปรภูมินะส่วนวิถีที่ไม่มีอตีแตะพะวังนะ วิถีที pues ah ่เป pues no kind of ็นชาวนาวาระไม่มีอตีแต่ผวังและไม่มีอาคันตุกะผวังต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะที่เกี่ยวกับการมาชาวนะยีสิบเว้นโทสะมุรจิสองอารมณ์ก็สามชนิดที่เป็นอติอิทาอิทามิชตาหรืออนิธาแต่รับอะไรรับนิพพันนารูปสิบสาที่เป็นอดีตอนาคตตัวงั้นนะรับนิพพันนารูปสิบสาที่เป็นอดีตอนาคตต้องบอกว่ารับอารมณ์ได้อารมณ์เท่าไหร่อ่ะ ละบอารมณ์3เนะเพราะว่าโดยบุคคลเขาเกิดในติเหตุกกาบุคคล5ไนงะติเหตุกกาปุจจุชนหนึ่งอริยผลบุคคล4ใช่ไหมส่วนว่าโดยภูมิก็คือรูปภูมิ15และก็ว่าโดยอารมณ์ก็คือมีอารมณ์3คือรูปอารมณ์สัทธารม์ธมมารมณ์รูปอารมณ์กี่ชนิด3ชนิดนะ รูปอารมณ์ก็มีที่มีเป็นอติอิทาอิทธามชตะและนิธาสัตตารม์ก็สามชนิดอติอิทาอิทธามัชตาอานิธาแล้วก็ธรรมารมณ์ก็มีสามชนิดอติอิทาอิทธามชตาและอานิธานีนั่นแหละอารมณ์สามชนิดเว้นเว้นอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเรูปารมณ์สัตตารมธรรมารมณที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปสิบสาเว้นคานาชิวหากายยะภาวะสองแล้วก็ธรรมารมณที่เป็น กามจิตใช่ไหมที่จริงในที่นี้ก็บอกว่าเว้นไปแล้วไงนั่นเลยเว้นเว้นคันธารลมและสารมโพธพารลมในการที่อารมณ์สามก็เว้นพวกนั้นไปแต่ในที่นี้ก็คือรับก็ได้สามก็คือรูปารมศรัทธารลมและธรรมารมมอยไางที่เขารับได้ทีนี้พอเขารับในลักษณะนี้ก็บอกว่าอัานยิพัญญารูป เ, เขารับนิพัญญารูปสิบสามเนะนิพัญญรูปสิบสามที่เป็นอะไร อดีตและอนาคตใช่ไหมอดีตและอนาคตในนิพพานทรูปสิบสามในหน้าที่ยี่แปดที่เขาเปิดช่องเขาไว้เนี่ยนี่นิพพานทารูปสิบสาที่เป็นอดีตอนาคตนี่มาเป็นอารมณ์ของวิถีที่เป็นชวนาวาระไม่มีอาตีแต่ผวังไม่มีอาการตรุ ก, กับผวังที่เกี่ยวกับกามชาวนะยี่บเจ็ดเว้นโทสะชวนะสองเนี่ยนะทีนี้อ น, นิพพานทารูปสิบอนิพพานทารูปสิบอนิพพานทารูปสิบนี่รับได้ในกี่การ ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่และก็การมจิตกามจิตเท่าไหร่เขารับกามจิตได้เท่าไหร่หรือใส่กามจิตอย่างเดียวกามจิตรับกามจิตรับมหาคตจิตรับโลกุตรจิตเจสิกที่ประกอบเว้นโทจตุกะเจศึกสี่สามการเลยใช่ไหมนิพพานบัญญัตินี่เป็นการลวิมุติอยู่แล้วนี่ก็รับได้ อย่างนี้กล่าวโดยรวมนะนี่กล่าวโดยรวมเขาไว้นี่เป็นอย่างนี้ในนี้เขาบอกว่านิ่พันธุรูปสิบสามในเวนคานาชิวหากายาภาวะสองอารมณ์สามรูปารมณ์ก็ได้ 3, สามศัทธารมณ์ก็ได้สามแล้วก็ธรรมารมณ์ก็ได้สามส่วนมหาพุทธรูปสีจักขุโสตคันทาราสักธยชีวิตตอาหาละสิอรูปนี้เป็นอะไร นี่คือธรรมอารมณ์นะยศตัยดูนะเป็นธรรมารมณ์ทำไมจึงเรียกว่าธรรมารมณ์มหาภูทรูปสีไม่ได้มีรูปารมณ์ไม่ได้มีศัทธารมในนั้นจักขุโสตค า, านะรัศกันทาราศะหัถยะชีวิตะอาหาระเนี่ยนะ น, นี่เป็นนี้นี่คือกลุ่มของธรรมารมณ์ฉะนั้นในอารมณ์เหล่านี้เนี่ย เป็นสภาวะที่เกิดจากอากุศลก็มีเป็นสภาวะที่เกิดจากกุศลอย่างดีก็มีเป็นสภาวะที่เกิดจากกุศลแบบระดับกลางๆก็มีเนี่ ย, ย ก, ก็อย่างนี้แหละพอพอเห็นสภาพของอารมณ์อย่างนี้ก็รู้ว่านามธรรมที่กลุ่มวิบากบานั้นคืออะไรเนี่ยกลุ่มวิบากนั้นคืออะไร แต่ถ้าหากดูวิถีในรูปภูมิเนี่ยบอกเออไม่เห็นเลยเห็นไหมไม่เห็นวิบากเขารับเลยอะ่ะเอาในในวิถีที่เกิดในรูปภูมิแต่ธารัมนาก็ไม่มีรับอารมณ์สามสภาวะแต่เห็นไหมแต่ก็ให้รู้เถอะว่าอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัววิบากตัววิบากกลุ่มคือ น, นมามธรรมไม่ได้รับ ตรงนั้นแต่มโนทวารวรชนะนี่น้อมไปตรึกถึงอารมณ์นั้นบาปเกิดได้ไหมอารมณ์ไม่ดีบาปเกิดขึ้นก็ได้อารมณ์ดีบาปเกิดก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ต่างหากถึงบอกว่าถ้าหากว่าอุปนิสยปปจจยปัยไม่ดีอุปนิสัยไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เคยตรึกผิดบ่อยๆมีไหมที่จะไม่ตรึกผิดอีกคนที่เคยคิดผิดเป็นอัธยาศัยเลยเนี่ยนะ คิดแล้วบาปเกิดเป็นอัธยาศัยเลยเนี่ยคิดว่าบาปเ็าจะเกิดได้ง่ายั้ยบาปก็จะเกิดได้ง่ายส่วนคนที่คิดแล้วเนี่ยบุญเกิดเป็นอัธยาศัยเลยเนี่ยอารมณ์จะดีหรือไม่ดีจะเกิดสภาจากสภาวะอติธาอิธามชตาหรืออนิธาเนี่ยบุญก็เกิดเพราะเขาคิดเป็นอย่างดีแล้วมนุษการเป็นอย่างดีแลวนี่เป็นงี้เอต่อไปดู ดูในอารมปภูมสิสี่ก็คือในอากาสาัญจายตนะภูมิในวิญญาณัญจายตนะภูมิในอากินจัญญาจตนะภูมิและในเนวะสัญญานาสัญญายตนะภูมิววงที่็้้าตอเน คือโทรศาไม่เกิดกับเขาใช่แต่ว่าอารมณ์ที่คือเขารับรับจิตที่เป็นโทรอ๋อคือจิตที่เป็นโทรศไม่ได้เกิดกับเขาทพาะเาก็ม่รูแต่ว่ามันไม่ใช่จิตที่เป็นโทรศของผู้อื่นนะคือกรรมจิ ต, จตเนี่ยกรรมจิตห้าจสี่เลเนะี่ยก็ต้องหมายถึงถ้าหมาโทรศัที่หมายโทรจิตของเขาเองในรูประภรพรรการมจิตได้กี่ดวงเขาไม่ได้ระบุไว้ อ๋อใช่ทั้ตรงนี้ก็ต้องเวน้นเว้นกับเว้นโทกรทรมจิตก็ต้องเหลือ 52, ห้าสิบสองนะคือเว้นโทสัพไปคือในกลุ่มของ <c oughs> ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มของบุคคลเหล่านี้ <c oughs> เขาด้วยการที่เขาไปอยู่อย่างนั้น <c oughs> เขาเขาเขาคมได้ <c oughs> เขาคมได้เด็ดขาดเวลาจะไปรู้สภาวะของของโทสะ <c oughs> ก็ <c oughs> เลยจัดว่าในขณะนั้นเลยต้องนั้น แต่ว่าสภาวะที่เกิดจากโทสะซึ่งเป็นผลเนี่ยที่เขาเคยเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างเนี้ยใช่ไหมสภาพของอนิจฐารมเนี่ยเขายังเห็นอยู่นะเช่นทำให้เขาเห็นสิ่งที่ไม่ก็เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ว่าในกลุ่มในกลุ่มของนามธรรมเนี่ยเขาไม่ได้รับตรงนั้นคือกลุ่มของนามธรรมที่เขาจะ เขาจะไปเนี่ยกรูรากเอากลุ่มของนามมาทำที่มีสภาพควา ม, มโหดร้ายคือโทสะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเว้นออกท่านเว้นออกนะนท่านเว้นออกเพราะจริงจริงเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ใช่วเวน้นแกสิกที่ประกอบกา ร, กจจรกนั้นก็คือบ่งบอกว่าโทสะ โทสะเกิดกับเขาไม่ได้คือในกลุ่มของบุคคลเหล่านี้โดยส่วนมากเขาจะอยู่บนโน้นใช่ไหมก็เป็นข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ากรรมที่ทําด้วยโทสะกรรมที่ทํำด้วยโทสะ ก, ก็ไม่น่าจะมีกําลังพอในการที่จะผลิตวิบากบนโน้นได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสภาพที่มันตรงกันข้ามมากกรณีฌานกับโทสะเนี่ยอแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ระบุหรอกใช้คําว่า รวมไว้หมดเลยฮะดูในหลักสูตรก็กล่าวไว้แบบเนี้ยซึ่งก็ยังไม่เคยเจอว่าหลักฐานที่มาแยกให้เห็นเช่เช่เช่บางทีเขาก็แยกนะในที่นี้ส่ว น, นเราก็ยังไม่เคยเห็นหลักฐานที่แยกตรตงก็าาาาาาเข้าใจตรงนั้น<ท>ถ้าอย่างนี้เขาก็หมายถึงว่าเขาแยกออกถ้าหากในอารมพี่อารมณนั้นเขาแยกชัดเจนเจ น, นี่นเขาชัดเจนเลย อาดูในรูปต่ออารมณ์ก็คือในภูมิทั้งสนีะ่นะในอารู ป, ปรภูมิไม่มีปัญจทวารไม่มีตาธารรมะจิตไม่มีโทสะเฉวนะฉะนั้นจึงมีแต่วิถีจิตที่เกิดทางมโนทวารเป็นเฉวนะที่ไม่มีอาตีตพะที่ไม่มีอาตีตพระวังเพราะไม่รับปัจจุบันเป็นอารมณ์วิงและก็ไม่มีอาคารตุวกับปวังเพราะไม่มีโทสะ ท, ที่เกี่ยวกับการมาชาวนะยี่สิก หาสิโตปาถ้จิตก็เกิดในอารมป์ภูมิไม่ได้เพราะอารมปภูมินั้นเกิดขึ้นโดยการยิ้มใช่ไหมลักษณะของการยิ้มนั้นน่ะก็ต้องบ่งบอกถึงในกลุ่มของทางด้านกายะกายะกายะรษากายะทวารกลุ่มเกี่ยวกายวินยัตกลุ่มกับเหล่านี้ด้วยซึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นอันต้องเว้นไป มันก็น่าคิดเนอะตรึกปัจจุบันก็น่าคิดเลยเลยคือต้องมีคือต้องมีไม่มีปัจจุบันไม่ใช่หรอมั้ง <c oughs> ไม่มีอัตตาหวังก็ อ, อ, <c oughs> อยู่ที่คือก็เขาบ่งบอกไว้ว่ามันไม่มีนะมันไม่มีก็เลยไม่อยากไปคิดในรายละเอียดมันนี้ ง, งั้นใช่ไหมมันเป็นสิ่งก็ในหลักเวลาท่านกําหนดมาอย่างนีง้แล้วหนึ่งเรายังไม่ได้ไปค้น มันมีเหมือนกันนะไอจุดการแย้งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะเอามาวิจารณ์วิจยัยกันจุดการแย้งตรงนั้นคิดถ้ามันมีมันก็มีตรงนั้นนะทีนี้ทีนี้ลองลองลองนึกอย่างนี้นะลองนึกอย่างนี้ในกลุ่มของบุคคลที่ไปเกิดในอากาสาณจายตนะภูมิกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะชำนาญในอากาสา น, นจายตนะของฌานนะ่ คือจะชำนาญในกสิโุคาติมากาศเป็นอย่างดีเห็นไหมกลุ่มเหล่านี้ก็จะแนบแน่นอยู่กันในเรื่องของถ้าตรึกอะไรก็จะน้อมหาความว่างของกรรมฐานที่ตนเองเคยได้ แ, แล้วในขนาดนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงที่ท่านออกจากตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ทราบ ถ้าท่านกําหนดมาอย่างนี้เสียมันก็เกินวิสัยคิดเลยแหละทีนี้ถ้าในกลุ่มของบุคคลที่ได้อยู่ในวิญญาณัญจาเยตนาภ พ, พกลุ่มเหล่านี้ก็จะตรึกถึงอาการสานัญจาเยตนาฌานที่เคยได้เห็นไหมไอ้ตรงนี้ก็จะชํานาญแบบเนี้ยเราก็ไม่ทราบถ้าถ้าดูเนี่ยหรือในกลุ่มที่อยู่ในอากินัญญาเยตนาหรือได้อากิ น, ยาย น, าานัญญาเยตนาฌานถ้ายังมีฌานเนี่ย ถ้าเจริญฌานนะน้อมก็หาฌานเมื่อไรก็คือกส์นัดถีภาวะบัญญัติเอาเอาบัญญัตินั่นแหละญญพอไปอยู่ในเนวะสัญญานะสัญญายานะก็น้อมเอาอากินจัญญายาตาณตัวตัวจิตนั่นแหละแต่แต่ว่าในชีวิตที่บุคคลที่เขาไม่อยู่อย่างนี้ท่านก็อยู่ในสมาบัตในกลุ่มของพระ อ, อริยะข่าวพระลาสมาบัตแต่ละสมาบัตของท่าน ใช่ไหมโดยสรุปคือถ้ากลุ่มไปเจริญต่อก็คือไปเข้าฌานอย่างเดียวหรือในกลุ่มที่ออกจากฌานถามว่าตอนนั้นท่านคิดอะไรใช่ไหยท่านคิดอะไรไม่รู้จะคิดยังไงก็เอาตามนี้ไปตามสูตรเนี้ยพ่อว่าฉะนั้นในอารมณ์ภูมิสี่ถ้าเราดูหน้ายี่สี่ประกอบก็จะเห็นตัววิถีอารมณอรมณวิาบากสี่อาการสานันจาเยตนาวิบาก วิญญาณญายายตะนาวิบากอากินจัญญาเยะตะนาวิบากและเนวะสัญญานาะสัญญายะตะนาวิบากทำกิจเป็นผวังหน้าและหลังอายุยืนยาวมากอยู่ที่แต่ละภูมิเอาแค่ว่าเนวะนี่สูงสุดเนี่นะแปดหมืนสี่พันมหากรอบว่างั้นน่ยอายุคือคือผวังจะต้องไปไปเกิดดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยผวังจะต้องไปเกิดดับอยู่อย่างนั้นน่ะ ถ้ากลุ่มปุรุชนทั้งหลายว่าถามว่าแล้วชำนาญในฌานต่อไหมละ่ะถ้าไม่ต่อก็ล่วงลงแต่มันมีตรงนี้ยังมีนัยยะแย้งกันนึง <c oughs> โอ้โหไออย่างนี้น่าเกลียดจัง <c oughs> สมมุติถ้าไปเกิดอยู่บนโน้ใน <c oughs> รูปภูมิถามว่าถ้าเป็นบุรุชนตายถ้าไม่เจริญฌานอะไรต่อเลยควรจะไปไหนอท่านในอภิธรรมมัตสังกหาบอกว่า เออท่านท่านนายอภิธรมรมมาแต่สังขารบอกว่าถ้าลงมาก็อยู่ในกามสุขติภูมิอันนี้ที่เราเรียนกันจะต้องยึดยึ ด, ย ด, ยดตามนี้ใช่ไหม ต, ตรงนี้นะในด้านของอรมณภูมิเนี่ยก็อรมณภูมิทั้งสี่กามชาวนะนั้นได้ยี่หกยี่หกนี่เว้นโทสะสองเว้นหัสศีตุ ป, ปาถ้าจิตหนึ่งออกไปใช่ไหมทั้งหมดยี 9, ่หกกากรเว้นสามก็เหลือยี่หกถูกต้องเลย ในดูดูในเรื่องของเดี๋ยวดูในหน้าที่หน้าที่ยี่ปดทในวิถีเนียรับอารมณ์สามชนิดอติอิทธาอิทธามัชาตาและอนิธาเนี่ยเออถ้าว่าโดยบุคคลก่อนติเหตุกับบุรุชนหนึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาสตกลงมาได้แต่ก็ยาวนานมากส่วนอริยบุคคลอริยผลบุคคลสี่เนี่ยถ้าว่าโดยมรก็สามารถที่จะมีบนน้นได้แค่สามมร สกะทาคามีมรกอนาคามรกและอรหัตมรกโสดาปฏิมรักไปทำบนน้นไม่ได้หลายคนก็บอกเอ๊ะถ้าหากศึกษาพอทำเป็นอย่างดีอะไรเป็นอย่างดีแล้วจเจริญฌานแล้วไม่ทันไม่ทันได้มางโงสมมุติไม่นะไปบนนู้นไม่ต้องพูดถึงจะไปตรึกพิจารณาให้เห็นโดยความเป็น อันนี้จังทุกครั้งหน้าตาไล่ตามลำดับวิปัสนาญาณตามลำดับหินนามรูปไม่ได้ก็ก็ปัจจัยต่างๆมากนะต่อได้ทำไมจะไม่ได้ อ, ได อ, ยอย่างยังยกตัวอย่างพระรยาบุคคลเนี่ย<ม><ม>เบื้องตั้งแต่พระสกอาทาคามีเป็นต้นไปท่านกระตองท่าน น, นั้นไดท่านนี้ผ่านบนนั้นแน่ท่านนี้ผ่านบนนั้นแน่นอน ั้ท่านท่านไม่ลงถ้าท่านต่อไม่ได้ยุ่งไหมกลุ่มที่ได้ฌานที่ต่อก็มีไม่ใช่ไม่มีโดยมากท่านจะไม่สนใจอะไรแล้วเจริญฌานอย่างเดียวไอ้สำคัญอย่างนี้ดิสิก็ในควบกลุ่มเจริญฌานอย่างเดียวคือกลุ่มประมาทเนะว่าตมันไม่หมดน่ะก็ล่วงทีนี้ในกลุ่มตรงนี้นี่แหละที่ว่าบางทีเขาแย้งออกมา ในบางแห่งเขาแย้งบอกว่าอีทําไมไปกําหนดอย่างนั้นเล่าเห็นไหมทําไมไปกําหนดว่าจะลงนรกไม่ได้เลยในภพสองมีสิทธิ์ลงได้ทั้งนั้นแล้วท่านก็ยกหลักฐานมายืนยันอะไรกันแต่ในอภิธรรมมันจะสังหานี<ช>ไม่ได้ทําไมในรู ป, ปรภูมิแปรบายได้ในรูปภูมิเขายังมีโอกาสพิไม่จริงไม่จิคือไม่ใ ช, ใช่แล้วในนั้นมีอากัสรึม ฝนก็เป็นอุปสที่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะไปอับอาไม่โอ้โหรู้ได้ไงถ้าเกิดกับปุถุชนละ่ะอย่าพูดนะว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดอาบายเนะี่ยเพราะว่าเขไม่มีอย่าอย่าพู ด, พดอย่าพูดเรากำหนดอเองช่วงที่จะทำอ่ะไม่ใช่ซีดูดามมันเนี่ยมโนกรรมได้ไหมละ่มะมโนกรร ม, มเป็นเหตุกรรมทไมจะไม่เป็นละ่ะตัวมโนกรรมนี่ตัวรุนแรงก่อนตายลองลองคิดเป็นอุสมโนกรรมดูที แต่คิ อ, อย่างนันยังไม่ผิดสีผ้าเลยลไม่มีโอกาสที่จะพอพอพอพออย่าไป <c oughs> ทะเลิดงินไม่ไดง <c oughs> นึกกันได้ไงล่ะคือในขณะที่โทสาเกิดเอขอโทษ ด, ดีในขณะที่โลพาเกิดในขณะที่โลพาเกิดเนี่ยในขณะที่โมหะเกิดในขณะที่วิจิกิจฉาเกิดอุทธจะเกิด อบายมีมีอบายทั้งนั้นเ่ยอบายทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าในที่นี้ เ, ออเรื่องกรรมเนี่ยไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงที่ว่ามันอยู่ตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะจิตอะไรเกิดยกตัวอย่างคนจะใกล้จะตายเนี่ยคนใกล้จะตายเนี่ยไปร่วงกรรมมาบทอะไรมากมายแล้วไม่ได้ร่วงกรรมาบทแล้วลุกก็ลุกไม่ไหวปากก็พูดไม่ได้ใจคิดเครียดอย่างเดียว ไม่รู้กี่ล้านชาติเราไปเราไปกำหนดเอเฉพาะรำตอนนั้นตอนนั้นมันไม่ได้หรอกมันอยากให้อกุศลเกิดเปิดช่องเนะมันจะไหลามาเป็นทางหมดเลยประเที่พวกเกิดเมื่อไรก็คือกลุ่มเดียวกันก็ไหลสนับสนุนเต็มที่อะมันเป็นอย่างงั้นมันรอแค่นั้นเองอย่างพวกเราทั้งหลายที่อัตั้งอัทยาสัยผิดพลาดเมื่อไรเนี่ย ถ้าผิดพลาดเมื่อไรก็แปลว่าให้อากุศลได้ช่องทันทีชนะอากุศลลวิบากเกิดได้แล้วเกิดอากุศลกรรมในขนานั้นไปเปิดช่องอากุศลกรรมที่เคยทำได้โอกาสได้จังหวะเหมาะสมแก่ปัจจัยหลายๆอย่างก็ผลิตวิบากก็เบียดเบียนท่านผู้นั้นไปนี่เป็นเช่นนี้นะเป็นอย่างนี้นะยอมตัวเองนะคนละอย่างไอ้นันระวังจะเกิดมันไม่ได้เกี่ยว ใช่ไหมอยู่ในภูมินี่ทีนี้ตรงนี้นี่แหละก็มีจุดที่เอาหลักฐานมาแยง้งแย้งกันก็เลยว่กเออ ก, ก็เป็นเรื่องกำลังฟังฟังอยู่ขนาดศึกษามาปันนี้ยังต้องกำลังฟังฟังอยู่กันเนื <c oughs> ออติอิทัยธรรมชตาและนิทาอารมณ์นหนึ่งที่เป็นธรรมารมณ์ได้แก่กามจิตยี่สิบเจ็ดคืออากุศลจิตสิบเว้นโทศาสสองมนโนหนึ่งหากุศลแปดหมากริยาแปดอรูปา วจรอารูปาวจระจิตสิบสองตามสมควรแก่ภูมิตามสมควรโลกุตรจิตเจ็ดเว้นโสดาปฏิมาคเจสิกสี่หกเว้นโทเจตุกาศสี่อภมัญญาสองที่เป็นเตกาลิกะนิพพานบัญญัติที่เป็นกาลิมุตที่เกี่ยวกับโรคกรรมฐานสองทีนี้ถ้าดูในเรื่องของอารมณ์หนึ่งที่เป็นกามจิตยิบเจ็ด 27, ในการมจิตยี่บเจ็ดจ 27, ท่านก็แยกใช่ไหมหนา้ 8, ายี่แปดอกุศลจิตสิบเว้นโทสะสองเห็นไหมมโนทวารวชนะจิตหนึ่ง 1, มรอกุศลจิตแปดมริ 8, มกริยาจิตแปดอรูปเอาจารจิตสิบสอง 12, ตามสมควรเก็บภูมินะในสิบสองดวงนี่ตามสมควรเก็บภูมิทําไมถึงบอกว่าตามสมควรเก่ภูมิถ้าเกิดในอากาสารนใจยตนะภูมิเขาก็สามารถจะเกิดได้เกิดได้เท่าไหร่ อาลองแยกแยะทีถ้าในอากาสานัญจายตนาภูมิก็ต้องเว้นพวกวิญญาณัญจายานวิบากอากินจัญญาเยตนาวิบากและเนวะสัญญาณาสัญญาเยตนาวิบากออกไปใช่ไหมแยกแยะหมายถึงถ้าเป็นปุรุชนก็เว้นกิริยาออกไปนี่เป็นต้นใช่หไหมก็ตามสมควรไปถ้าไปอยู่ในเนวะสัญญาณาสัญญาเยตนาภูมิ ใช่ไหมอากาสานเนจายนาวิบากวิญญาณเนจายนาวิบากแล้วก็อากินจัญญายนาวิบากสามดวงอีเว้นไปแล้วก็ยังต้องเว้นชันต่าๆหมดเลยเช่นเว้นอากาสานเนจายตนะกุศลกิริยาเว้นวิญญาเนจายะกุศลกิริยาเว้นอากินจัญญายะนากุศลกิริยาใช่ไหม ก็เกิดได้แค่เนวะสัญญานาะสัญญาเนยนะกุศลหรือกิริยาแล้วก็เนวะสัญญานาะสัญญานะวิบากในสามดวงอรมณถ้าในเนวะสัญญานาะสัญญาภนะูมิเนะี่ยอรูุปอรู ป, ร ป, ปรจิตเนี่ยรูปเอาจะอารูปเอาจะจิตเกิดได้สามดวงรวมลยได้ดวงเดียวได้สองดวง ใช่ ใ, ชใชมีมสิทธิ์เนี้ยนะมันอย่าไปใช่อย่างนั้นมันถูกแต่หมายความว่าท่านยังเป็นปุตุชนอยู่<ม>ก็เก<ม>ิดได้สองอะได้สาถ้าคือในในภพนั้นเน่ยสามารถเกิดได้สามถ้าเป็นปุตรชนถ้าทําัด้ไม่ได้เขาไปเจริญไม่ได้ไงออก็ได้สองนั่นแหละถ้าเป็นเป็นนัหันก็ไม่ได้กุศลนี่ยจะได้สองกุศลช่ใช่ใช และต่อไปนะีะให้ดูในด้านของที่ท่านขยายออกมาซ้ําเดิมนิดหนึ่งในอารมประภูมิสี่อากาสานัญจายตนาภูมิวิญญาณัญจายตนาภูมิอากินัญญายตนาภูมิและเนวะสัญญานาสัญญายตนาภูมิเนี่ยในอารมประภูมิทั้งสี่เนี่ยไม่มีปัญจทวารแลว้วอิถี ไม่มีจกักรทวารละวิถีโสตทวารลวิถีคานาทวารละวิถีชิวหาทวารละวิถีและไม่มีกา ย, ยะทวารละวิถีสรุปคือวิถีในทวารทั้งห้าไม่มีเพราะเขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีรู ป, ปรขันก็ต้องเว้นวิถีที่จะเกิดทางทวารเหล่านี้ไปไม่มีแตทารมณ์นาจิตเพราะแตะทารมณ์นาจิตไม่สามารถเกิดในอรู ป, ประภูมิได้อยู่แล้ว ไม่มีโทส่าชาวนะเพราะสภาวะของโทส่าชาวนะจะเกิดได้เฉพาะในกาเมภูมิสิบเอ็ดเท่านั้นนะฉะนั้นจึงมีแต่วิถีที่เกิดทางมโนทวารเป็นชาวนาวาระไม่มีอตีแต่พวังและไม่มีอาคันตุกะพวังที่เกี่ยวกับกามชาวนะยี่หกเนะีอตีแต่พวังก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันว่าไงแล้วก็ไม่มี อคันตุกับพวังเพราะไม่มีโทส่าชาวนะอาคันตุกพพพาานะก พ, พวังก็ไม่มีกามชาวนะมียี่หกเว้นโทส่าสองก็เว้นหาสี่ตุปาทจิตหนึ่งจิตที่เป็นเหตุแห่งการยิ้มของผ้าละหัน์ไม่มีแล้วไม่มีจะไปแยมยิ้มยังไงไม่มีรูปแล้วก็อารมณ์นารมณ์สามชนิดเนี่ยอติอิทธารลมอิทธรมชัชตารม์และอนิธารมณ์เนี่ยคืออารมณ์หนึ่งเนี่ย อารมณ์ข้อหนึ่งเนี่ยแต่แยกเป็นสามสภาวะก็คือกามจิต27 3สามสภาวะคืออากุศลอากุศละจิตส0อากุศละจิตส0เว้นโทสะมโนทวาราวชนะมหากุศละจิต8ปมหกกิริยาจิต8ปอรูปาวจรจิตส2องตามสมควรแก่ภูมิโลกุตระจิตเจ็เว้นโสดาปฏิมักแจศึกสี่ส เว้นโทเจตุกะเจตสิกสีอปมัญญาสองนิพานแล้วก็บัญญัตินี้เกิดได้<ม>คือสามารถรับนิพานเป็นอารมณ์ได้บัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้<ม>ก็ได้สนทนากันเนว่าเออในรูปภูมิเนี่ยอกุศะอารูปเอาจระจิตสิบสองเกิดได้ทั้งหมดไหมบอกมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ภูมิเอฮะ ก็เลยยกตัวอย่างว่าเอ๊ะท่านในอากาสานเนจายยตนาภูมิแหละเฉพาะในอรูปเปาจะได้จิตสิบสองเขาควรเกิดกับเขาเท่าไหร่ก็บอกว่าถ้าเกี่ยวกับอรูปวิบากสี่เขาเกิดได้ดวงเดียวอากาสานันจายยนาวิบากหนึ่งเขาเกิดได้แค่นั้นแนหะได้ดวงเดียวทีนี้แล้วเกี่ยวกันในเรื่องของอรูปกุศลสีเกิดกับเขาได้หมดไหมอาถจะถามว่าเขาได้ฌานทั้งหมดไหมละ่ะเออมันอยู่ที่เขา อยู่ที่เอา้าเขาทำฌานสูงไว้ก่อนแล้วก็ยังไม่เขายังไม่ตายเพื่อจะไปเกิดในภพนั้นแสดงว่าเขาก็สามารถที่จะทำได้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะเข้าฌานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็น ไ, ไหมหรือกิริยาถ้าเขาเป็นพระอรหันต์อย่างงี้ก็ว่ากันไป น, นี่เป็นงั้นก็ตามสมควรท่านถึงใช้คำว่าตามสมควรแก่ภูมิไม่หมด วิบากกนถ้าเราติในวิบากนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้อย่างไงใช้คำพูดอย่างไงถ้าเกิดในอากาสาัญจายตนะภูมิเป็นอากาสานัญจายตนะตกบุคคลมีอากาสานัญจายตนะวิบากเป็นจิตประจาพบดวงเดียวแล้วช่วงเวลาถ้คือ ทีนี้ถ้าหาพวกกลุ่มของกุศล<ม>กลุ่มกิริยาก็แล้วแต่ว่าเขาได้ฌานอะไรได้ฌานอะไรจิตเราไหนก็หมายถึงว่าวิบากภู<ะ>มิอาการสาเกิดได้ไงล่ะคนละภูมิคนละภูมิต้องตายกันดิต้องได้ฌานอากาอากินใหญ่ใหญา ย, ยันนาฌานแล้วถ้าตายไปแล้วถึงจะมีสิทธิ์ไปได้อากินใัญ่ญ่ยันนวิบากในภูมิอื่นต่อไปในรูปภูมิที่สูงขึ้นไปไก็อย่างนี้ เราอยู่ในมนุษย์เนี่ยเรามีสิทธิ์ใช้วิบากในรูปประภูมิได้ไหมได้ไหมเอาในปัจจุบันเนี่ยได้ไหมเออทำไมไม่ได้ล่ะทาเราทำฌานได้แล้วทำไมไม่ได้ล่ะในกลุ่มบุคคลที่ได้ฌานแล้วและยังไม่ยังไม่ละอัตภาพในการเป็นมนุษย์เนี่ยทาไมไม่มีสิทธิ์ในการใช้วิบากที่เป็นรูปประวิบากล่ะไม่ต่างกันไม่ต่างกันได้ได้ถึงอารมณฌาน แต่ว่าวิบากยังไม่มีสิทธิใช้เพราะตนเองยังไม่ละอัตภาพในความเป็นมนุษย์ใช่ที อ, อโร์วิบากจะไปได้ได้ยังไงมันพูดอโลวิบคือปัญหาคือว่าถ้ายังไม่จุตติถ้ามหาวิบากในภพมนุษย์ไม่ทำกิจจุตติจิตยังหมดสิทธินี่ยใช่ครับว่ายังไม่มีสิทธิที่จะไปใช้รูปวิบากอารูปวิบากเว้นไว้แต่ว่า ไอ้มหาวิบากทำกิจในการจุติจิตแล้วแล้วต่อไปพอไปปฏิสนธิเนะี่ยจิตดวงไหนทําปฏิสนธิจิตดวงนั้นถึงจะมีสิทธิในการทาผวังให้กษัตริย์เหล่านั้นได้และจิตดวงไหนทากิจผวังจึงจะมีสิทธิในการที่จะทำจุติจิตให้กษัตริย์เหล่านั้นได้นี้เป็นต้นอะไรนึงก็ ก, ก็ก็ดำเนินไปตามเหตุผ ล, ผลอย่างนี้ไม่ใช่ข้ามขั้นตอนว่าเอออยากจะ เราได้ฌานนี้แล้วเราจะขยับจากวิบากตัวนี้ไปใช้วิบากตัวนั้นไม่ได้เพราะมันคนละพบคนละภูมิคนละคนละขันเลยอ่ะอันนี้มันขันของมนุษย์ไม่ใช่ขันของพรห ม, มลูกประพร ม, มเหมือนกับขันของอาคาสาณจา ย, ยตนะเป็นวิบากตรงนี้ก็ต้องมีวิบากตรงนี้ทำกิจปฏิสนธิแล้วก็ผวังให้วิบากตรงนี้ทำกิจจติก่อน จึงจะสามารถทำปฏิสนธิในวิบากดวงต่อไปได้ถ้าคุณได้ฌานได้ฌาน ท, ที่ที่ที่หวังไว้หรือที่ทำไว้เป็นอย่างนั้นแต่ฌานเนี่ยจะทำแค่ไหนก็ได้ ก, ก็ก็ขอให้เจริญจะได้ไดตามอธัธยาศัยนี่เป็นเช่นนี้นะนี่คือในเรื่องของอารมณ์วิบากเออในในรูปภูมิต่อไปไปดูหน้า29ในหน้า29เนี่ สุดท่มโนทวานนะสุดท่มโนทวานวิภูตารมวิถีชาวนาวาราไม่มีอาการดุกะผวังแต่นี้เขาเริ่มแยกแล้วนะแยกในเรื่องของวิภูตารมวิถีแยกวิภูตารมวิถีในวิภูตารมวิถีมีทั้งหมดกี่วิถี <c oughs> ลืมแล้วมั้งสิบสิบหกวิถีในสิบหกวิถีลองทวนดูที่มีอะไรบ้าง วิภูตารมวิถีว um wow. ิภูตารมวิถีของทวนทีมีอะไรบ้างวิภูตารมวิถีมีกี่วิถีวิภูตารมวิถีมีสิบหวิถีใช่ไหมมีชาวนาวาระที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอาคารตุกกบผวังแปดวิถีที่เป็นชาวนาวาระมีอาคารตุกกาผวังอีก8ดวิถีรวมเป็นวิภูตารมสิบหวิถี แล้วก็ชาวนาวาระที่มีอาครารตุ ก, กัดผ้าวางเออที่ไม่มีอาคารตุกัดวังแปดวิถี mm hmm. มีอตีแต่ผ้าวังหนึถึงเขณะ7วิถี mm hmm. ไม่มีอตีแต่ผ้าวังหนึวิถีรวมเป็นชาวนาวาระไม่มีอาครารตุ ก, กัดวังแปดวิถีบอกว่ามีอตีต่ผวังหนึถึงเขณะ7วิถีที่มีกรารไมชาวนะ27เว้นโทสะสอง เประเภทที่มีโทสะเฉนิมอีก7ประเภทเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเวิถีกี่วิถี7วิถี14ประเภทนะและที่ไม่มีอธิตัดผวางอีกหนึ่งวิถีกี่ประเภทสองประเภทคือที่มีกามาเฉลิมยีบเเว้นโทาสะสองหประเภทที่มีโทสะเฉลิมสองอีกหนึ่งประเภทนี่ย ลักษณะนี้ที่เราจะลังไปดูกันเนี่ยส่วนที่มียชาวนาวะละมีอาคันตุกะพวังแปดวิถีนั้นที่มียตีตะวังหนึ่งถึง7ขณะ7วิถีไม่มีอตีตะวังอีกหนึ่งวิถีรวมเป็นชาวนาวะละมีอาคันตุกะพวังแปดวิถีที่มียตีตะวังหนึ่งเจขณะเจวิถีที่เป็นโทสาชาวนาเนี่ยมีอยู่เจประเภทส่วนที่ไม่มีอตีตะวังหนึ่งวิถี กี่ประเภทหนึ่งประเภทที่เป็นโทาสชาชวหน้าสองเนะอนี่ ก, ก็ก็แยกไปนี่ลักษณะรวมไปเบ็ดเสร็จก็คือว่าสิบหกวิถีเท่าไร่ประเภทกี่ประเภทสิบหกวิถีกี่ประเภทยี่สิบสี่ประเภทเห็ไหมสิบหกวิถียี่บสี่ประเภทนี่นะดูหน้ายีิบสองดูหน้ายีิบสอง ในหน้ายี่สองในวิภูตาลงวิถีพอมาหน้ายี่เก้าก็มาขยายหน้ายี่สองนีต่อไปดูหน้ายี่เก้าเริ่มเลยนะเริ่มชาวนาวารามเมียตีตับพระวังที่มีเมียคันตุกะพระวังที่เกี่ยวกับการมาชาวนายี่เจ็ดเจ็ดประเภทเนี่ยเออเจ็ดเจ็ดประเภทเจ็ดวิถีเอาเจ็ดวิถีนะั่นแหละมาแยกแยกเจ็ดประเภทที่กลุ่มที่ไม่มีอตีตับที่มีอธิตัดพรวังก่อนใช่ไหมนี่นะ อดูหน้ายิบเกดูประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งเนี่ยวังสิบห้ารูปผ้กามาวังสี่รูปผวังห้าเขาเรียกเป็นผวังสิบห้ามโนทวาราวชนะจิตหนึ่งกามชาวนายิบเจ็ดเว้นโทษาสองเนให้สังเกตดูนะว่าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเจ็ดประเภทที่มีอตีตาผวัง หนึ่งขณะ、2สองขนะ3สามขนะ4สี่ขนะ5ห้าขนะ6หกขนาดเจ็ดขนาเห็นไหเนี่ยเจ็ดประเภททั้งเจ็ดประเภทเนี่ยเป็นกามาชานะยี่สิบเจ็ดทั้งหมดเลยเว้นโทสะชานะสองต่างกันตรงที่มีอติตาผวังที่ต่างแตกต่างกันออกไปในฮนะ ท, านา ท, ที่มีอติตาผวางเธอมันยาวแบบนี้ไม่มีอตีตาผวังทาไม ก็ให้มันได้ได้จำนวนนาทีแต่วางเกตขนาดนั่นเองเาให้ใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวขว่าต้องให้ก็นลูกก็ก็ไม่ไม่ได้วัดเรื่องรูกไม่ได้วัดเรื่องลูกก็ไมก็ก็ให้ดูอย่างนั้นน่ะนะทีนี้บุคคลเนี่ยนะปุตุชนสี่อริยผลบุคคลสี่ ว่าโดยบุคคลเนี่ยในวิถีเนี้ได้บุคคลแปดเลยได้บุคคลแปดเกิดในภูมิไหนปัญจโวการภูมิยี่สิบหกไอ้ยี่หกนับยังไงเนี่ยนับยังไงกามาภูมิสิบเอ็ดเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของบุคคลไอ้กามาภูมิยี่สบเอ่อปัญจโวการภูมิยี่หกกามาภูมิสิบเอ็ดรู ป, ปรภูมิสิบห้าเว้นสัญญาครบไหมเนี่ย <laughs> มีคนบางคนเออเลยเลยนี่ยเนี่ยเวลามีความรู้มาก ๆ, ๆเนี่ยบางแกฮืฮืมากขึ้นเนี่ยนะคล้ายพอเริ่มจําอะไรมากหน่อยเริ่มแล้วบางทีเนี่ยมันเคยเคยเป็นนะไอ้ที่ว่าพอพอเรียนรู้อะไรมากๆมากๆขึ้นมากๆขึ้นเ น, นี่ยเพราะไอ้ตอนเรียนมากนี่มันลืมมันักสิการไปบางทีให้สังเกตบางทีไปฟังคนอื่นนี่อึ๊กเลยนะ สมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นนะเพรรู้มากมากแล้วพอไปฟังคนอื่นพูดผิดทำไมทําท่าเดือดร้อนใจ <c oughs> ให้ตะเก็นเนะี่ยคือลองรู้อะไรมากมากแล้วไปนั่งฟังคนผิดเอครับลองลองดูดิพอไปฟังปัง๊บทำไมทำท่าอึดอัดเลยนะอในจิตเนี่ยทําไมถึงอึดอัดสมัยก่อนเนี่ยสาวกของพระเจ้าที่ไปกราบทูลพระเจ้านะนึก ไ, ไหมเวลาเขากล่าวคําสอนพระเจ้าไม่ถูกเนี่ยแค้นเคืองในใจ น้อยใจพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปอย่าไปโทมนัดคืออย่าไปเสียใจหรืออย่าไปชื่นชมกับคํากล่าวที่เป็นผิดพลาดอย่าไปทุกข์ใจตรงนั้นบางคนเขาไม่เข้าใจถ้ามันจะแก้ได้ก็แก้ไปถ้ามันไม่ใช่วิสัยที่จะแก้ก็เฉยเฉยก็ไว้ว่าเนะ่นตั้งมนุิการเราห้ดีครับก็เพียงรู้ว่าโอ้ยอาศรธรรมได้รุ่งเรืองขึ้นแล้วหนอเนี่ยก็ให้คิดอย่างนั้ น, นตัวคิดอย่างนั้นนะ อจัดทำรุ่งเรืองขึ้นแล้วนนแต่ถ้าหากมีโอกาสแก้ไขได้ก็แก้ทันทีเนี่ยก็บอกเออท่านกล่าวเช่นนั้นไม่ไม่ควรนะเลยถ้าไปกล่าวไปแล้วเนี่ยเขาอ้ยรู้สึกเขาแค้นเคืองมากเลยก็ก็อย่าไปสร้างสร้างเหตุปัจจัยเป็นงั้นจริงๆนะมันมันมันมันให้แน่นนาอกเลยนะใหม่ๆเพราะไม่โรยมะ มันบอกโอ้โหทำมวยเป็นอย่างนี้กลับมายังมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์เราไม่รู้เลยเนะี่ยเรามาน้สิการผิดพลาดแล้วไอ้บ่าวก็เกิดกับเราเอาเอาเดี๋ยนี่เออมันเป็นอย่างนี้จริงแจริงเรื่องมันก็ดับไปตั้งนานเลยล้วก็บอกเหมเวลาแนะนําคนอื่นว่าให้ละให้ปรงเลวยนะเคยเคยเห็นอยู่คนหนึ่งไอ้เขาไม่แกล้งไม่รู้ไม่ชี้บางเรื่องซะเนี่ยมันก็สบายใจคือ ท, ทําถ้าไม่รู้ไม่ชี้ซะเนี่ย เออมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ผ่านมาด้วยดีไอคนคนนั้นก็ยังอยู่สบายเขาอยู่อะไรเงี้ยแตสมัยก่อนแล้วไม่ได้เลยนะมันก็จะถ้ากครชั้นไหนสอนสอนกันผิดนี่เนะโอ้โหรู้สึกว่ามัทั้งวัดเลยนะตื่นเต้นกันเลยแก้ข่าวกัพนพลัวันแต่มันก็ดีนะบรรยากาศอย่างงั้นแต่มองดูแต่แล้วบางคนก็ย่ำแ ย, ย่ไปตามๆกันแล้วแต่ ก็ช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ได้ไม่ได้แต่บางทีมันแก้ไม่ได้ทําไงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าหากว่า น, นั้นเน่ยก็ต้องแก้ไขกันไม่ใช่ไม่แก้ไขโดยสรุปก็คือเดี๋ยวแก้ที่เราก่อนเนะี่ย <c oughs> ถ้ารู้ว่าไหนมันไม่ตรงเงีย้ยวๆไว้นะอืแก้ที่เราถ้าเกิดในรู ป, ปรภูมิอารมณ์ได้สามชนิดนะ อาจารย์บอกถ้าเกิดในรูปภูมิอารมณ์สามชนิดสามชนิดก็คือรูปอารมณ์ศัทธารมณ์และธรรมารมณ์คันธารมณ์ละสารม์โพธพารมณ์เว้นไปเว้นไปสามอารมณ์เว้นเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่มีไม่ยินดีไม่มีคานะประสาทชิวหาประสาทแล้วก็กายประสาทแล้ว ก, ก็ดูตรงนั้นและที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปสิบสาม เว้นคานะชิวหากายยะภาวะอีกสองเนเวทไปกี iy, up, นะ่กี่รูปเนี่ยห้ารูปก็เหลือสิบาเออก็เหลือสิบสามรูปนะเหลือสิบสามรูปนี่คือเจ็ดประเภทที่ไม่มีอติต่าะวังเออที่มีอติต่าะวังแต่ไม่มีอาคันตุกพระวังเพราะไม่ใช่โทส่าชนนะเนะี่ยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดในการมาภูมิล่ะอารมณ์หกเลย สามสภาวะอติอิทธารมอิทามชัตตารมอนิธารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนิพพานารูปสิบแปดเออถ้าหากวิถีใดมีอตีต า, ว, าวังวิถีนั้นจะกําหนดด้านอารมณ์ได้ง่ายมากมองเห็นไหมถ้าวิถีใดมีอตีตาผวางังวิกาหนดง่ายจังง้วเงี้ยนึงแต่ที่จริงถ้าหากสังเกตหน่อยถึงมีอตีตาผวางังหรือหรือไม่มีอตีตาผวางังก็สามารถที่จะกําหนดได้ง่ายก็แปลว่าท่องอันแรกเอาไว้ กบางคนบอกอาใัยท่องอันแรกเอาไว้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็ชัดแล้วเหมือนกันกนะดูชาวนาวระมีอาตีตาพระวังแต่ไม่มีไม่มีอาคันตุ ก, กับพระวังที่เกี่ยวกับโทสายชาวนาอีกเจ็ดประเภทนี่เขามาขยายอย่างนี้เห็นนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดียวดูดูดูข้าบข้ามวนก่อนเลยดูทะลุปไปด้านขวามือก่อนเลยชาวนาวราของที่ไม่ที่ที่เมีย ท, ที่ไม่มีอาตีตาพระวังไม่มีอาคันตุต ก, กับพระวัง ที่เกี่ยวกับาชาวนะยีบเจ็ดโอ้เอาไล่มาตามลำดับดีกว่านะนี่ยเดี๋ยวงงเลยตรงเนี้เดี๋ยวงงเดี๋ยวจะงงเอาโทสะาชาวนะเจ็ดประเภทดีกว่าที่มียตีต่พระวังนี่แหละที่มียตีต่พระวังที่เกี่ยวกับโทสะชาวนะเนี่ยที่มียตีต่พระวังหนึ่งคันหนึ่งขณะดสองสามสี่ห้าหกถึงเจ็ดเจ็ดขณะนี่นะแต่ชาวนะนั้นเป็นโทสะ ก็คือมาจากการมนาสิกานไม่ดีนั่นแหละก็เลยเป็นปัใจจใัยเกิดโทสาทธชาวนาะสังเกตดูนะว่ากลุ่มชาวนาวาระเนี่ยที่มีอติแต่ผวังไม่มีอาการตัวกาภวังที่เกี่ยวกับโทสาทธชาวนานี่นะก็กลุ่มบุคคลที่มีกา ม, มาอุเบขาภวัง6อุเบขาสองุเวคาสันติรานสองเนี่ยแล้วก็หมายบากอุเบขาสี่หดวงเนี่ยทกิจผวัง ทั้งเจ็ดประเภทนะเหมือนกันหมดล่ะต่างกันตรงที่มีอติเทวังมาก